บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่แห่งรู้แต่ดำรัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สั่์แก่ท่านจตุกันนีมานพฉันได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ทรงสอนให้ปลุกฝังความพอใจในการออกจากกิเลสกามและวัตุ ก, การม มองหเห็นโทษของกิเลสกรรมและวัตถุกรรมทั้งหลายต่อมาก็ส่งสอนให้พยายามละกิเลสทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตและแม้ส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยทรงแสดงว่าด้วยการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากชราและมัจจุหรือจากความแก่และความตาย ซึ่งโดยความหมายที่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าหลุดพ้นจากเกิดแก่ตายในแก่การหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั่นเองแต่เนื่องจากผู้ถามท่านกลัวภัยคือความแก่กับกลัวภัยคือความตายพระเจ้าจึงทรงใช้คำตามที่เขาต้องการต่อมาก็ทรงแสดงในแนวที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยทรงเชื่เห็นว่า อาสวะทั้งหลายไม่มีแกแะขีณาศาพทั้งหลายเป็นผู้สงบระ ง, งับหลุดพ้นแล้วจากชาติรามารณะคำว่ขีณาศาพเป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ตามปกติแล้วมักจะหมายเอาเฉพาะพระอรหันตสาวกเรียกว่าอารหันตขีณาศาพ กินาศปแปลว่ามีอาสวะหมดไปแล้วอาสวะสิ้นไปแล้วเป็นการเน้นให้เห็นถึงบริสุทธิ์ที่คุณที่มีอยู่ภายในจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายสิ่งที่หมดสิ้นไปภายในจิตใจของท่านนั้ น, นคือสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอาสวะอาสวะคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจของบุคคล เป็นการอาศัยสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือผักดองดอกไม้ดองผลไม้ดองหรือเครื่องหมักดองทั้งหลายมาใช้เรียกธรรมะใช้คำว่าอาสวะเป็นเครื่องหมักดองอยู่ภายในจิตใจภายในจิตใจของบุคคล น, นั้นจะมีการเก็บการสะสมอยู่สองแนวแนวหนึ่งท่านเรียกว่าบา ร, รมีคือการเก็บการสะสมความดีแนวหนึ่งก็คือเรื่องของอาสวะ เก็บสะสมเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้ปาะในจิตใจของบุคคลจึงมีสิ่งสองสิ่งนี้เก็บสะสมเอาไว้ปัญหาสำคัญที่ออกมาในรูปของพฤติกรรมคือทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีตลอดถึงความโน้มเอียงตลอดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าพรสวรรค์เป็นต้นมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับสิ่งที่เก็บสะสมไว้ภายในใจของบุคคลเหล่านั้น คนใดที่เก็บสะสมสูวนที่เป็นบารมีคือความดีความงามต่างๆเอาไว้บ้างก็เริ่มสแสดงตัวเองออกมาตั้งแต่สกุลที่เกิดรูปร่งางอวัยะวะหน้าตาผิวพรรณแนวโ น, น้มอัตยาสายความน้มเอียงในด้านต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เรื่อยๆมาโดยลำดัพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงจะมีความหนักไปในด้านของสุจริต มีความรังเกียจบาปเป็นลักษณะเป็นต้นส่วนจิตใจของบุคคลใดที่เก็บสะสมส่วนที่เป็นอาสวะเอาไว้ก็แสดงให้เห็นมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันจะอาจจะเกิดมาในสกุลไม่ดีรูปร่างผิวพรรณไม่ดีสติปัญญาทึบหมดหรือว่ามีอัตยัยสย ม, มีอัตยัยสห ย, ยาบชากระด้างเป็นต้นจบความรุนแรงความทารุณโหดร้ายต่งตาง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ติดมาแต่เกิดจากการผ่านพบชาติของบุคคลเหล่านั้นในที่นี้จึงทรงแสดงกิเลสประเภทที่จริงก็เป็นเรื่องของความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความดลงอย่างที่ทราบกันเพราะกิเลสจะพูดอย่างไรก็ไม่อื่นจากสายของความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความดลงแต่ตั้งกาแสดงตามลักษณะของกิเลสที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตหรือแสดงอาการต่อจิต อลตประเภทที่เรียกว่าอาสวะนั้นได้แก่กามาสวะอาสวะคือกาได้แก่ความใคร่ความกำหนัดความพอใจความยินดีที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ในจิตสันดานส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เก็บไว้ในอนดีตจนบางครั้งบางคราวออกมาในรูปของความเห็นแก่ตัวจัดลักษณะที่เป็นคนตะกร้ตะกราม คืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้ น, นแสดงว่ากรามมสวะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นมากและรุนแรงแถ้าหากว่าเนยืยปัจจัยข้างนอกมากระตุน้นเตือนก็อาจจะทำทุจริตออกมาในลักษณะต่างๆได้อาจจะปร้นอาจจะช่ออาจจะโกงอาจจะหลอกลวงเป็นต้นตามสมควรแก่ความรุนแรงของกรรมสภาว ะ, ะนั้นกิเลสประเภทนี้ก็คือกิเลสประเภทที่คอยคว้าปรารถนา ต้องการที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตนนันเกิดขึ้นจากการกําหนดหมายหรือการทรงจาของจิตว่าสิ่งนั้นเป็นของดีน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจดังคำสามคํานี้พระเจ้าจะทรงใช้ยอยู่เป็นประจําบาลีใช้คําว่าอิทธากันตาปนาปาหรือแปลว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจหรือถ้าใจไม่กําหนดเช่นนั้นแล้วกิเลสประเภทความใคร่ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าใจกำหนดจากนั้นแล้วอย่างน้อยก็ต้องใคร่เห็นคือความใคร่จะเห็นใคร่ใคร่จะดูใคร่จะฟังใคร่จะริมใคร่ที่จะมีไว้ในครอบครองใคร่ที่จะยึดถือไว้หรือใคร่ใคร่ที่จะต่อสู้ป้องกันเพื่อรักษาสิ่งที่ตนพอใจเอาไว้นี่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าเรามีอสวะประเภทนี้ภายในจิตใจมากน้อยขนาดไหนแต่เราก็มีอยู่มากพวสติปัญญาเหตุผลก็จะจางลงไป บางครั้งบางคราวไม่พร้อมที่จะเสียสละซึ่งพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลสังเกตเห็นได้ง่ายว่าบางคราวมีการปล้นการจี้คือของราคาเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าให้ไปแล้วก็เป็นความปลอดภัยแก่ตัวเองแต่เพราะอาสวะภายในใจมีมากจึมีความรู้สึกเสียดายหงแขนสิ่งเหล่านั้นมากจนถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตแล้วก็มีการล้มหายล้มล้มตายไปก็มีนี่ก็เป็นตัวอย่างสะท้อนกลับไปสู่จิตของบุคคลว่า มันมีความไครในสิ่งเหล่านั้นจุกมากจนไม่ได้คำนึงถึงส่วนอื่นๆซึ่งว่าที่จริงก็มีค่ามากกว่าแต่นั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะต่างๆที่สอนในบุคคลเสียสละอาจจะเริ่มมาจากเสียสลัสิ่งที่ตามมีตามได้คือมีของเล็กน้อยก็ให้ไปตามเล็กน้อยมีของมากก็ให้ไปตามมากตเราถึงว่า สละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้หรือว่าแนวที่จำทรงกันแพร่หลายที่ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสอ์ถึงทำรรให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปีิทักรมไว้นั้นจุดมุ่งหมายก็คือต้องการจะลดพวกอาสวะประเภทนี้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้จางลงไปเมื่อบุคลนี้จางลงไป สติปัญญาเหตุผลก็จะเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเมื่อจําเป็นจะต้องเสียสละผู้ฉลาดจะต้องสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้แต่ถ้ า, ามองกลับมาในแนวของผู้ที่ไม่ฉลดาดแทนที่จะเสียเท่าที่เสียมันก็กลับเสียซ้าเติมมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีพิพาทบางสิ่งบางอย่างถึงถ้าหากว่าจะเสียไปเพียงขนาดนั้นมันก็เป็นความสุดเสียไปแล้ว แต่บางทีก็ไม่ยอมกันก็ขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปจั่งทานายไปวิ่งเต้นอะไราสารพัดจนเพิ่มความสูญเสียมากยิ่งขึ้นเพราะในการต่อสู้นั้นแน่นอนต้องมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่บางครั้งก็ยืดเยือ้อยาวนานความสูญเสียก็เพิ่มขึ้นโดยลาดับทั้งส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุและส่วนสุขภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นที่ต้องหมกมุ่นคลุ่นคิดจะโต้อ ต, อตอบจะแก้แค้นบางครั้งอกุศลในลักษณะอื่นซึ่งก็ยังไม่เกิด ก็ต้องเกิดขึ้นติดตามมาจนอาจจะสร้างพยานหลักฐานเทศอะไรต่างๆเึ้ดมาเป็นต้นหรือสรุปว่าที่จริงเมื่อก่อนมันก็เริ่มมาจากความหวงความเสียดายในวัตถุสิ่งของเรานั้นแต่พอแกแรงขึ้นแกก็ดึงส่วนอื่นเข้ามาให้เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าได้มีการลดละไปด้วยวิธีการต่างๆที่สงชยัยับว่าสำรวจขัดเกลาคือขัดเกลาไปโดยลาดับ โดวยวิธีการทั้งหลายให้เพื่สังเกตว่าเป็นวิธีการขัดเกลาอาสวะขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลอย่างน้อยที่สุดก็อย่าออกมาข้างนอกคือให้อย่าให้มีความรุนแรงจนถึงกับเป็นการประทุษร้ายต่อ ต, อตอนเองและเป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นการปฏิบัติทั้งหมดจึงมุ่งไปขจัดกิเลสประเภทเหล่านี้ส่วนจะเรียกชื่ออย่างไรนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ในการปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ใช้ปฏิบัติการก็มุ่งขจัดการมาชันทนิวรนการมาชันนิวรนนั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการมสวะนั้นเองแต่ก็เกิดขึ้นมากรุ่มรุ่มใจสร้างความร่าร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจตูเจ้าก็ส่งสอนกรรมฐานระดับสมถกรรมฐานเอาไว้ถ้าเดินไปถึงวิปัสสนากรรมฐานก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าการที่บุคคลไปเกิด เป็นกามาฉันคือความรักใคร่พอใจก็ดีจนเก็บเป็นตะกรนใจหมักหมมใบภายในจิตใจเป็นกามาสวะตลอดถึงเป็นอนุใสจนเก็บเป็นกามาราคะเป็นต้นก็ดีนั้นแล้วก็เกิดขึ้นมาจากใจผองบุคคลที่ดํำริที่ไปกําหนดหมายอารมณ์หล่อนั้นเอาไว้แล้วในที่สุดเขาก็จะหาอารมณ์ในลักษณะเดียวกันอารมณ์ที่ใกล้กันอารมณ์ที่ใกล้กัน อารมณ์ที่ประนีดกว่าซึ่งอาจจะเป็นรูปที่ประนีดกว่าหรือรูปที่ใกล้เคียงกันหรือเสียงอะไรแต่ก็จะมีการแสวงหาในลักษณะอย่างนั้นวัใจ่าของบุคคลก็สายไปไม่มีที่สิน้นสุดพระเจ้าก็ทรงสอนให้ปฏิบัติสงบระงับลงไปวิจารนวิปัสสนาการที่บุคคลเกิดความรู้สึกเหล่านี้ก็เพราะอะไรเพราะการกําหนดหมายสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเป็นสวยเป็นงามพระเจ้าก็ทรงสอนให้มาแก้ แก้กันที่การพยายามมองให้เห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเรามองไม่เห็นความสวยความงามไอ้ความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีะระองหลงในอารมณ์ต่างๆก็จะจางลงไปเพราะนั้นที่กล่าวมาแล้วว่าการที่เกิดความรู้สึกเหล่านี้พระใจไปกําหนดอย่างนั้นพระใจไม่กําหนดอย่างนั้นความรู้สึกเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่มุ่งขจัดอาสวะพอถึงความเป็นพระอารหาหัน์ท่านก็เรียกว่าขีณาสวะเราก็เขียนเป็นไทยว่าขีณาศพ แล้วมีอาสวะหมดไปแล้วจากจิตใจนั้านเวลาตอนสุดท้ายของพระสูตรต่างๆที่ท่านแสดงเห็นว่าแสดงแก่พระปัญจวคีหรือท่านปุราณาชดินหรือใครๆก็ตามนะฮะท่านเล่าตลอดทั้งพระสูตรแล้วในตอนท้ายท่านจะบอกว่าอาสวหิจิตานิพุทธ จ, จึงสุติจิตของภิกษุทั้งหลายหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นโดยอุปาทานแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าพวกอาสวะที่เรียกว่าอาสวะก็ดีที่เรียกว่าอุปาทานก็ดีนั้นที่จริงก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกันอาสวะคือหมักผมอยู่ภายในใจอุปาทานคือเป็นตัวแสดงอาการออกไปจากอาสวะไปยึดไปถือในสิ่งเหล่านั้นเดียวหน้าของความคล่เป็นต้นคือเป็นยึดเป็นการยึดถือตามสายของอาสวะนั่นเองประการต่อไปคือพระวาสวะอาสวะคือความมีความเป็น ตัวการใหญ่ก็เกิดขึ้นมาจากภาวะตันหาหรืออาจจะเป็นภาวะทิฏฐิก็ได้แต่ตัวการที่เป็นส่วนลึกจริงๆนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนการมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนั้นในแง่ความจริงที่แท้จริงพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นความเห็นที่วิปัสสนานคือไม่ยุติไม่ตรงต่อความเป็นจริง ความจริงไม่มีสภาวะเที่ยงแทลนั้นอยู่ดันั้นการปฏิบัติในแนวของวิปัสสนากรรมฐานจึงมุ่งจะถ่ายถอนความเห็นที่เรียกว่าวิปัลลาดอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่านิจจวิปรรัลลาดคือมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแทแน่นอนแต่เราต้องการมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแลก็มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตน และจากการมองเห็นในลักษณะ น, น, นี้มันก่อให้เกิดภาวาสะวะคือความมีความเป็นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลซึ่งในชั้นของการดํารงชีวิตประจําวันเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวาสะวะอันมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเพราะโดยทั่วไปจะพบว่าบุคคลปรารถนาความเป็นกันเป็นนั้นมากอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโ น, น้นไม่มีที่สิ้นสุด เวลาใดที่เขาไม่ให้เป็นก็จะโกรธเมื่อได้เป็นแล้วไม่เหมาะสมที่ตนอยากเป็นก็โกรธหรือแม้แต่ชื่อไปเรียงเอาไว้รู้สึกว่าชื่อตัวเองอยู่ต่ำไปก็โกรธนี่ก็คือลักษณะของอาสวะที่มีหมักหม ม, มมอยู่ภายในจิตใจแต่เพราะพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็นจะปิดบังสติปัญญาเหตุผลของบุคคลเอาไว้ เพราะเมื่อบุคคลได้เป็นแล้วจึงไม่คำหนึ่งว่าตนจะทาให้เหมาะสมแก่ความเป็นหรือไม่แต่ขอให้ได้เป็นด้วยไปบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ขอให้มีชื่อว่าได้เป็นทั้งคือลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวาสวะหรือภาวะทิฏฐิหรือภาวาราคะอะไรที่แล้วที่ท่านเรียกไว้ในที่ต่างๆตลอดถึงภาวะตัณหา มันก็สแสดงอาการใ้เห็นในเชิงที่เป็นรูปธรรมในเชิงพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายบางครั้งบางคราวต้องลงทุนลงแรงเสียเงินเสียทองไปเพื่อขอให้ได้เป็นแต่เป็นแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้เหมาะสมแก่ความเป็นในชั้นของโลกโลกคนจําเป็นจะต้องมีความเป็น ร, รับผิดชอบในฐานะหน้าที่ต่างๆเพราะงาั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนหลักของสัพพุริสธรรมคือธรรมะของคนดีหรือธรรมะขอฉลาดเอาไว้ หมายความจะเป็นอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนโดยฐานะที่ตนเป็นเป็นอะไรขณะนี้เป็นอะไรมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรได้ทําแล้วอย่างไรหรือกําลังทําอะไรอยู่และต่อไปจะทําอะไรในการทํานั้นมีความเหมาะสมถูกต้องแก่ฐานะที่ตนเป็นหรือไม่เป็นต้นนี่ก็เป็นที่จริงก็เป็นการแก้พวกประวัติศาสตร์คือถ้าเป็นเราก็ต้องพยายามเป็นให้ได้พยายามเป็นให้ดีพยายามเป็นให้เป็น โดยไม่ไปยึดไปถือในความเป็นตัา น, นหากเห็นว่าคนอื่นมีความสามารถมีความเหมาะสมที่จะรับช่วงตําแหน่งเหล่านั้นก็นยินดีที่จะมอบหมายให้คนอื่นเขาเป็ดแสดงให้เห็นว่าถ้าแสดงถ้าจิตใจของบุคคลเข้าถึงจุดนี้ได้ก็หมายความว่าปัญญาได้เกิดขึ้นสลายลักษณะของระวาสวะให้จางลงไปภายในจิตใจของบุคคลแต่แล้วถ้าก็มาสรุปรวมไว้ที่อวิชชาสวะสภาวะเกือบอวิชชา อวิชชานั้นเป็นอาการของความมืดบอดหรือความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายโดยความหมายที่แท้ จ, จริงแล้วท่านก็บางทีท่านก็ไม่แปลว่าจะไม่รู้แต่แปลว่ารู้แต่รู้ไม่จริงซึ่งความหมายของคำว่ารู้ในความหมายทางาศาสนาที่บางครั้งท่ง า, น า, านใช้คำวิญญาณบางครั้งใล้คำวัฒนศนะบางครั้งใช้คำว่าปัญญาหรือบางครั้งใช้ควบกันเปนเลยเรียกว่าญาณทัศนะ คือรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัญญาประเภทที่อย่างน้อยที่สุดก็คือกุ้มครองตัวเองได้บริหารตัวเองได้รู้การใดควรการใดไม่ควรที่ใดควรไปที่ใดไม่ควรไปเรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูดสิ่งใ ด, ค ว, ด, งดควรทำสิ่งใดไม่ควรกระทาเป็นต้นเรียกว่าปัญญาที่บริหารตนได้แ้วถ้าหากว่าในการแสดงออกเหล่านั้น ยังไม่สามารถตัดรากงาวของกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงก็ขายของชีวิตก็คงเป็นอวิชาอยู่เหมือนเดิมแต่วิชาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกสัตว์โลกออกไปเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเรียกว่าภูตะคือเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยหมายความว่าเป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสำเอสีคือผู้สแสวงหาพบ ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรโดยความหมายของท่านแล้วหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดยกเว้นพระอรหันต์คือจากพระนาคามีลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นซึ่งก็หมายความว่าแต่และท่านนั้นยังมีอวิชชาอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นความรู้จริงในบางระดับแต่ยังไม่รู้จริงในบางระดับจุดมุ่งหมายปลายทางคือท่านต้องการให้สิ้นในเรื่องเหล่านี้ าการที่จะสิ้นอวิชชาสะวะได้มันก็ต้องมีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นแต่ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เล็งผลไปปฏิบัติจะต้องสิ้นอาสะวะที่จริงมีลักษณะเหมือนการเดินก้าวขึ้นไปบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่บุคคลก้าวเดินไปนั้นจะสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ๆตัวเองก็มองเห็นภาพอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดัง น, นั้นคําสอนที่เสริมสร้างปัญญา ในรูปแบบต่างๆเป็การสอนบุคคลพยายามใช้เหตุผลเพ่งพินิษพิจารณาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทําไว้ในใจด้วยอุบายแยบขายก็ดีเรียกว่าธรรมวิจยะคือการพิจารณาวิจัยสอดส่องธรรมะก็ดีเรียกว่าวิมังสาคือการไข่ครวนเพ่งพินิษพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ต, ตลอดทั้งกระบวนของสิ่งนั้นๆ เห็นว่าจะทํางานอะไรก็ก่อนจะปลูกฝังความพอใจก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูเสก่อนว่าควรแก่การปลูกฝังความพอใจหรือไม่หรือไม่ควรแก่การปลูกฝังความพอใจเป็นการมองเห็นทั้งระบบว่าสิ่งนี้เป็นอะไรนะถ้าจะทําก็ทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรก็ใช้วิมังสาคือการไจ่ายจองกันพินิพิจารณาดู เราก็ใช้ความเพียรพยายามไปในการใช้ความเพียรพยายามเองก็มีวิมังสาคือมีปัญญาเข้ากำกับอยู่เพราะความเพียรพยายามบางอย่างนั้นเป็นความเพียรพยายามในทางที่ผิดในขณะที่มีสัมมาวายามะคือความพยายามชอบมันก็มีมิจฉาวายามะคือความพยายามผิดอยู่ด้วยถ้าว่าขาดปัญญาเป็นตัวสอดส่องพินิจพิจารณากว่าจะพลังพลาดอาจจะหลงทางในจุดใดจุดหนึ่งได้ทํานองเดียวกับการขับรถหรือการเดินถนนก็ อ, อาจจะถูกมาในช่วงหนึ่งแต่อาจจะเลี้ยวผิดก็ได้ ดังนัก็สอนให้ใช้ปัญญาพิเนตพิจารณาแม้ในขณะที่ใช้ความเพียรยู่มีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นในขณะที่จดจ่อมุ่งมั่นก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับพิเนตพิจารณาเพราะปัญญาจึงทรงจำแนกทรงสั่งสอนไว้ด้วยวิธีการต่างๆและในระดับต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ปัญญาที่เป็นประเภทติปโคคือมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนให้ปลอดภยัย ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเมื่อมองจากมุมของพระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่ามองกลับไปที่การบำเพ็ญเพี ย, พยบรบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบา ร, รมีให้เต็มให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นต้องการสิ่งอยู่สามอย่างคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์ก็ต้องมีลักษณะเกื้อกูลแก่เขาอาจจะมีประโยชน์แต่ไม่เกื้อกูลเขาก็ไม่ต้องการทํานองคล้ายๆกับเราปวดหัวแล้วคนเอายาปวดท้องมาให้ยาปวดหัวก็มีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์สมรับวดปวดท้องเพราะนั้นท่านก็บอกว่าต้องมีลักษณะที่เกื้อกูล การจะพิสูจน์ความเกื้อกูลก็ดูที่ความสุขว่าเราจะรับความสุขจากประโยชน์เหล่านั้นหรือไม่แต่นันการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาจึงมุ่งไปสู่ความสุขเป็นประการสําคัญว่าทําอย่างไรบุคคลจึงจะได้ความสุขบางครั้งอาจจะละชั่วแล้วก็ได้ความสุขบางครั้งอาจจะพูดว่าทําดีแล้วก็ได้ความสุข วิธีการนั้นก็เป็นวิธีการพูดที่จริงเมื่อละความชั่วก็แสดงว่าความชั่วซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่มีความสุขก็เกิดขึ้นแต่พูดถึงว่าทําความดีก็หมายความว่าไอ้ตัวความดีที่เกิดขึ้นนั้นเองจะทํำนั้นที่ละความชั่วเหตุแห่งความทุกข์ก็ดับไปความสุขก็บังเกิดขึ้นเรื่องทั้งหมดจึงใช้ปัญญาสอนแต่บางครั้งท่านใช้กับมาวิชา อวิชชานั้นก็ได้แก่ความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ี่ประการในความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ประการนั้นถึงสังเกตว่าในช่วงหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั่นเองเพราะทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมักเป็นเหตุทุกเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเป็นผลที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ต้องการแต่บุคคลใช้ปัญญาสอดส่องอย่างน้อยก็มองเห็นว่าทุกนั้นมันเป็นเพียงผล คือไปแก้ที่ตัวทุกข์ไม่ได้แต่แก้ที่ตัวทุกข์จะยิ่งเพิ่มทุกข์มากยิ่งขึ้นอย่างคนบางคนประสบความทัดทราความสูญเสียสามีตายพ่อตายแม่ตายของของรักแตกสลายไปไปเศร้าโศกเสียใจไปซ้ำเติมตัวเองกันด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้เป็นการเพิ่มทุกข์เพราะว่าตรงนั้นเป็นตัวปัญหาก็ใกล้ๆกับว่าเรามีแผลอยู่แล้วไปกดเอาที่แผลอีก แต่มันก็เจ็บใหญ่โตออกไปวิธีการนั้นทั้งก็มุ่งไปแก้ที่ตัวเหตุคือตัวสมุทยัยที่เป็นเหตุได้เกิดความสุขความสุขนั้นเป็นเป้าประสงค์ของบุคคลทั้งหลายในการดํารงชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าความสุขก็เป็นเพียงผลเลยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคคลไม่สร้างเหตุขึ้นมาเพธีธทํา ท, ทั้งหลายนั้นเกิดจากเหตุพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุเอาไว้ ดังนั้นในชั้นทั่วไปการดำรงชีวิตของบุคคลจึงจําเป็นจะต้องอาศัยโครงสร้างนี้คือโครงสร้างที่ว่าเข้าใจตัวปัญหาสาเหตุของปัญหาได้รู้อะไรคือเป้าหมายในชีวิตของตนรู้กรรมวิธีหลักการวิธีการที่จะดําเนินไปสู่เป้าหมายที่ตนประสงค์แล้วดําเนินชีวิตไปตามขั้นตอนดังนั้น การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงจําแนกแสดงออกไปโดยอนเนกเกสริยายเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ความรู้ที่จะอาํานวยผลอย่างแท้จริงออกมาเป็นรูปของความสุขนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการละเหตุแห่งความทุกข์จาเป็นจะต้องมีการเพิ่มเหตุแห่งความสุขเพราะในขณะที่ละเหตุแห่งความทุกข์นั้น ความทุกข์ก็ลดลงไปในขณะที่เพิ่มเหตุแห่งความสุขความสุขก็เพิ่มขึ้นและเมื่อมีการประพฤติมีการกระทาในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องกันไปความทุกข์ก็ลดลงไปโดยลำดับความสุขก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่แท้จริงแล้วการพูดในแนวนี้เป็นการพูดถึงผลเท่านั้นเองตัวการใหญ่จริงๆก็คือเป็นการลดกิเลสแต่ก็เป็นการเพิ่มธรรมะปฏิบัติขึ้นมา ซึ่งก็ถ้าพูดในแนวของริยมศักดิ์ก็คือลดสมุทัยลงไปแล้วเพิ่มส่วนที่มกักส่วนที่เป็นมากขึ้นในที่สุดก็จะเข้าถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าถึงความสมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าเป็นโบหารในการเทศเป็นนัยยะของการเทศพอมาถึงขั้นตอนของการรพปฏิบัติก็ต้องเข้าในหลักอริยมรัคทั้งแปประการและเมื่อบุคคลปฏิบตัติอริยมรัค ได้สมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นมรรคษาบังคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผสมกลมกลืนข้าหาการแต่ละจุดมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองก็จะทำหน้าที่ตามสมควรแก่ฐานะ อ, องค์มรรคนั้นๆั้นจิตใจของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงความยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายที่ทรงใช้ในที่นี้ว่ากามคุณทั้งหลายเมื่อจิตเบิกนก็จะคลายกหนัน พระคลายกำหนัดจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดอนั้นว่าใจของตนก็หลุดพ้นแล้วความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเราจะหมดสิ้นไปนั่นคือเป้าหมายอย่างสูงสุดแต่พึงเข้าใจว่าเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือเป้าหมายแต่ทุกขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติในการลดละ ก, กิเลสในการเพิ่มปูนธรรมะขึ้นนั้น ผู้ปฏิบัติจะได้บรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุขขึ้นภายในจิตใจของตนแต่สามารถสัมผัส ผ, ผลได้ในขณะนั้นๆตามสมควรแก่การประพติบตอนต่นนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป